ร่างกายคนเรานะวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็มีแค่สองอย่างนะคือตื่นกับหลับนะถ้าไม่ตื่นก็หลับนะถ้าไม่หลับก็ตื่นอาจจะมีช่วงคือกลางๆคือเราหลับตื่นตื่นหรือว่าง่วงเงียบ้างอันนี้ก็ก็เป็นส่วนน้อย จ, จิตใจเราก็เหมือนกันนะ จ, จิตใจเราก็มีแค่สองอย่างนะคือไม่รู้ก็หลงรู้นี่มาถึงรู้ตัวรู้ว่าทำอะไรอยู่มันวันหนึ่งใจเราก็มีแค่นี้แหละรู้กับหลงหลงก็คือไม่รู้ตัว ตอนที่หลับอยู่มันก็ใจก็อยู่ในภาวะที่หลงนะฝันเหื่อยบางทีก็ฝันนอนฝันนี่หรือทั้งไม่ฝันก็ก็ยังเรียกว่าไม่รู้ตัวแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลงนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังหลงได้แล้วก็หลงเป็นส่วนใหญ่ซะด้วย ตอนหลับนี่ก็หลงอยู่แล้วนะเต่นขึ้นมาก็ยังหลงอีกคือทำอะไรก็ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหรถึงแม้ว่าจะทำได้นะเช่นขับรถกินข้าวเดินไปนั่นไปนี่เนี่ยแต่ระหวางที่ทำเนี่ยมันก็ก็หลงไปได้เยอะนะ คือหลงเข้าไปในความคิดพอใจเราหลงเข้าไปในความคิดมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วล่ะหลงเข้าไปในความคิดระหว่างที่เดินก็ใจก็ลอยไปโน่นไปนี่ระหว่างที่กินข้าวใจก็คิดนั่นคิดนี่ซึ่งก็หนีไม่พ้นคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้าง คนเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะบางทีก็เสพความคิดไปพร้อมๆกันด้วยแล้วตอนที่เสพเนี่ยนะมันก็เรียกว่าหลงนะหลงก็ไปนในความคิดพอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาคิดถึงเรื่องอดีตก็เกิดความเศร้าเสียใจ พอนึกถึงคนรักที่จากไปนึกถึงของพอนึกถึงของที่สูญไปก็เกิดความอาลัยเกิดความเสียดายพอนึกถึงคนที่เขากันแคลง<ม>ออเอาเปรียบหรือว่าต่อว่าด่าทอก็โกรธปับแค้นพอนึกถึงการกระทําที่ไม่ดีกับ คนรักพ่อแม่ลูกก็เกิดความรู้สึกผิดอันนี้ก็พออารมณ์มันท่วมท้ำท่วมทนใจนะั้นก็หลงนะหลงหลงอยู่ในความเศร้าอยู่ในความโกรธอยู่ในความรู้สึกผิด คนเวลาเศร้าบางทีก็ไม่เป็นอันทำอะไร <c oughs> คนเวลาโกรธมันก็ลืมเนะว่ากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็มา น, นึกเสียใจภายหลังว่าไม่น่าเลยไม่น่าพูดไม่น่าทำเลยคือถ้ารู้ตัวไม่ทำ แต่เพราะหลงสิ่งธรรมไปด่าเขาควางปลาเอาเข้าวของควางปลาทำร้ายเขาเนี่ยทำด้วยความหลงารั้คิดถึงเรื่องอ น, นาคตรเรื่องที่มาไม่ถึงก็กุมหัวกุมใจเกิดความกังวลวิตกทุกครั้งเวลาที่เราวิตกกังวลนั่แหละนะ มันเป็นข้อใจมันไปอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ยังมาไม่ถึงไปอยู่กับอนาคตนึกกังวลถึงงานที่ยังไม่ได้ทําหรือยังทําไม่เสร็จนึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้ชําระกังวนลนะรถติดก็กังวลว่าจะไปถึงที่หมายทันเวลาไหมกังวลว่าแกแล้วใครจะเลี้ยง วันนี้กัวงวลว่ารูปจะเรียนต่อได้ไหมสอบเข้าได้หรือเปล่าดูแรแต่เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็มาโนาไปทั้งที่คิดแล้วก็ทุกนะหรือทั้งที่พอจมอยู่ในอารมณ์ก็ก็จะทุกแต่คนเราก็ยังคิดอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะหลงเพราะไม่รู้ตัว ถึงคนรักเศร้าเสียใจมันก็เศร้าเสียใจจนไม่เป็นอันทําอะไรกินไม่ได้นอะนไม่หลับก็ยังคิดเพราะลืมตัวเพราะหลงนะเวลาโกรธเวลาไม่ถึงใครล้วโกรธเราก็ยังคิดถึงคนนั้นตอนที่โกรธนี่มันเผาใจมันทิ่มแทงใจก็ยังคิดคิดซ้ำคิดซ่า เพราะอะไรเพราะลืมตัวเนี่ยนี่ก็หลงหลงก็คิดก็คิดแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นก็หลงต่อไปเราก็เลยทำในสิ่งที่เสียใจต้องเสียใจในภายหลัง วันก่อนสองอาทิตย์แ้วก็ไปเยี่ยมหมอฟันคนหนึ่งใช้ความไปอยู่ก็ก็สุขสบายเงินทองก็มีใช้ได้อย่างไม่ต้อง อ, อดออมอะไรเท่าไหร่นักการงานก็ดีแต่ว่ามีปัญหาครอบครัว คนเราชีวิตคนเรานี่มันจะหาที่สมบูรณ์พร้อมนี่ยากนะอย่างหมอคนนี้ก็ชอบมันอยู่ก็ดีการศึกษาก็สูงโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีเพื่อนสูงก็ดีแต่ก็เสียอย่างเดียวคือครอบครัวมีปัญหาครอบครัว สามีก็หล่อระแหงกันกุ้มหัวกุ้มใจให้ความอารมณ์ที่จะเป็นน้อยใจหรือโกรธแค้นหรือว่าทอ้อแท้ก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาก็โดดลงมาจากตึกเจ็ดชั้น แต่ว่าเกินจุดที่ตกลงมานี่มันเป็นกองดินก็เลยไม่ตายแต่ว่าก็ทำให้กระดูกสันหลังนี่มันกระทบกระเทือนอย่างหนักก็มีแนวนกว่าอาจจะอำมาภ่ถ้าตายนี่ก็จบ พอไม่ตายก็ร่างกายก็ย่ำแย่ไอ้เดิมนี่ก็มีความทุกข์ใจอยู่แล้วคราวนี้ก็เจอความทุกข์กายก็อีกมันก็ซ้ำสองเข้าไปก็ เ, เลยเจ็บปวดมากบอกกับเพื่อนว่านี่ถ้ามีโอกาสก็จะทำอีกนะก็ะคือฆ่าตัวตาย นี่ว่าทำด้วยความหลงนะมันหลงตั้งแต่คิดนะคิดแต่เรื่องร้ายๆด้านดีของชีวิตก็มองไม่เห็นทางทั้งที่มีเยอะแยะแต่ไปคิดถึงแต่เรื่องที่เป็นปัญหาเราคิดวงวคน วนไปวนมาคือถ้ารู้ตัวที่มันหลุดจากอารมณ์นั้นได้นะแต่พอไม่รู้ตัวพอหลงมันจงคิดคิดคิ ด, คดพอคิดแล้วก็เห็นแต่ปัญหามืดแปดด้านมองไม่เห็นทางออกทั้งที่ทางออกนี่มีอยู่เยอะเลยนะจะยาก็ได้หรือว่า จะต่างคนต่างอยู่ก็ได้ไม่เอามาเป็นอารมณ์ก็ได้ชาวออมีแต่มองไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นมันถูกความคิดและอารมณ์มันครอบงำที่จริงเจ้าตัวก็สนใจธรรมะนะสนใจธรรมะสนใจเรื่องที่มันเกี่ยวกับจิตใจไปเข้าคอร์สนี่ก็หลายคอร์ส เพราะฉะนั้นก็มีต้นทุนอะไรอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความคิดและอารมณ์ชั่ววูบมันก็เลยทำให้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถ้าหากว่ารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำหรอกแล้วพอไม่สำเร็จนะ มันก็กลายเป็นทุกข์ซ้ำสองทุกข์กายมันก็ไปซ้อนทับกับทุกข์ใจแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนะที่จะออกจากทุกข์ทั้งสองอย่างได้หมอก็ดูแล เต็มที่นะก็อาจจะไม่ถึงกับพิการแค่กายภาพบำบัดหนั ก, นกมากๆก็จะกลับมาดีได้เหมือนถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกใจก็เหมือนกันนะทุกใจมันก็คลายได้นะเพราะว่ามันเกิดที่ความคิดมันไม่ได้เกิดจาก สามีทำตัวไม่ดีอันนั้นเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือใจที่มันมันหลงนั่นแหละใจที่เอาแต่คิดว่าวนมองแต่ลบไม่เห็นด้านดีของชีวิตคือไม่เห็นด้านบวกนะไอ้ตรงนี้มันก็ถ้าเกิดว่าเขาได้คิดนะนก็จะรู้ว่าโอทุกข์มันอยู่ที่เราไปแบกออกมา ปัญหานี่คิดเริ่มก็ทุกข์ถ้าคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นแต่ก็ยังเก็บมาคิดยังมาแบกไว้นะก็เพราะวาความหลงไม่รู้ตัวให้ความรู้ตัวสำคัญมากทีเดียวแต่ว่าคนเรานี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญความรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ไปสนใจแต่เรื่องการ <c oughs> หาความรู้ท้งโลก ซึ่งก็มีประโยชน์นะแต่ว่ารู้ทางโลกแม้จะท่วมหัวแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็สามารถสร้างปัญหาให้กับตัวเองได้ถ้าไม่ทำร้ายตัวเองก็ไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายเพราะว่าถูกความโกรธครอบงำอย่าง บางคนก็แทนที่จะฆ่าตัวตายก็ไปเอาปืนยิงผัวหรือว่าไปสั่งไปจ้างคนมายิงให้ตายผัวก็ทำเหมือนงงั้นกับเมียเหมือนกันก็ทำร้ายจนตายก็มีบางทีกว่าทั้งครอบครัวไปด้วย ให้ทำด้วยความหลงแท้แต่ก็ทำมันได้แล้วก็ทำมันไม่รู้กี่ลายกี่ลายเนี่ยเพราะความไม่รู้ตัวถามว่าไม่รู้เหรอว่าทำที่มันสร้างปัญหามันก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นแล้วก็ก่อความเดือดร้อนกับตัวเอง ทำให้อายุสั้นหรือว่าทําให้ต้องติดคุกติดตารางหรือว่าไอ้ต้องถึงกับถูกประหารชีวิตหรือว่าไอ้ต้องถึงกับตายแล้วก็ลงนรกเราไม่รู้เลยนะก็รู้นะแต่ตอนนั้นมันลืมไปตอนนั้นมันไม่ได้คิดให้ความความหลงนี่มันน่า ก, กลัวนะอชีเกิดศึกสงครามกันเกิดการก่อการร้ายเกิด ปัญหาอาชยากรรมคอร์รัปชันต่างๆนี้ก็เพราะความหลงนะถ้าไม่หลงเพราะโกรธก็หลงเพราะอยากนะตัณหาก็ไปรักขโมยไปชํำเราไปผิดศีลนะความหลงนี่มันมันฉลาดนะมันพยายามที่จะ จูโจมเชื้ออกาศครอบงมจิตใจเราอยู่ตลอดเวลามันพยายามทำตลอดเวลาในยามดีใจมันก็เผลอเข้ามาดีใจจนหลงก็มีนะดีใจก็เลยพอดีใจก็เผลอปล่อยให้ความหลงเข้ามาถูรัตตวลีรางวัลที่หนึ่งก็โอ้ฉลองกินเหล้าเมาหรือไม่ฉะนั้นก็ เพลินนึกถึงว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีขับรถก็ฝันกลางวันเลยทีเดียวจะได้เงินล้านเอาไปทำอะไรฝันเพลินนะก็ดูอุบัติเหตุชนหรือแม่ก็หักโคง้งรถคว่ำพิการหรือตายดีใจก็หลง เสียใจก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วหลงอยู่แล้วแม้แต่เวลาทำความดีก็ยังความหลมก็ยังเฉียโอกาสนะเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมแล้วก็เดินเพื่อให้ใจมันตื่น <c oughs> แต่ความหลมก็ยังเผอเข้ามาจูดจมนะมาครอบงำใจเดินไปก็หลงไปเดินไปใจก็ฟุง้ง เดินเสร็จถามว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมนะหลายคนบอไม่ได้ยินนะทั้งที่เสียงจิ้งหรีดมันได้ยินจิงหรีดมันร้องตลอดทางแต่ไม่ได้ยินนี่ก็หลงนะเพราะหลงในความคิดเดินโยงโกงโยงทีนี่เหมือนกับว่าเสียงจิ้งหรีดตอนนี้มันก็ดังอยู่จะริยาลอยาแต่ไม่ได้ยินเพราะว่าใจมัน เข้าไปในความคิดแล้วเลยไม่รับรู้อะไรแต่นั้นก็ยังเบานะความหลงที่มันพยายามแล้วเขามาดิครองจิตใจเราตลอดเวลาสวดมนต์เราก็สวดมนต์เพื่อให้ใจนี่ตื่นนะมีธรรมะนั่นก็ยังสวดม่ด้วยความหลงใจลอยคิดน่นคิดนี่ เวลาทํภาเวลาภาวนานะสร้างความรู้สึกตัวไม่ว่าจะเป็นนั่งตามลมหายใจหรือว่ายกมือสร้างจังหวะทำํำไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตัวแต่ว่าหลายคนก็ถูกความหลงมันกินก้ไปจนความหลงเล่นงานรู้ตัวแค่ห้าปอร์เซ็นอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลงทั้งนั้นคือใจลอยใจไม่อยู่กันไม่กับตัว ก็หลงมันฉนลาดมากนะยิ่งแม้แต่เวลาเราจะทำดีมันก็ยังเข้ามาค้อนะมงำใจเราได้ทำดีในทาดีด้วยความหลงนี่เยอะนะเวลาให้ทานทำบุญใจก็โดนกิเลสค้อมงำ ทำด้วยตัณหาแทนที่จะสละก็กลายเป็นว่าอยากได้ทำสิบอยากได้ร้อยทำร้อยบริจาคร้อยอยากได้ล้านดฉะนั้นก็แทนที่จะเกิดความปิติเกิดความดีในจิตใจพองใสในทานที่ได้ทาก็เกิดความรู้สึกเกิดมานะขึ้นว่าฉันแน่ฉันเป็นคนดีเป็นคนใจบุญ การที่เด็กจะผ่องแพ้วก็หมองมัวเพราะกิเละเพรามานะะความหลมก็เข้ามาครอมงนใจนะอยากจะให้เราไปประกาศว่าทำความดีเอานะอยากจะให้คนชมว่าฉันเป็นคนใจบุญนะต้องไปประกาศว่าฉันไปทำบุญที่นั่นที่นี่พูดอย่างนี้ไม่พอก็เอาขึ้นเฟซบุ๊กด้วย อันนี้ก็ทําด้วยความหลงนะทําความดีแต่ว่าความหลงมันก็เอาไปกินซะอยากจะอวดอยากจะโชว์อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเป็นคนใจบุญฉันทําความดีหรือว่าฉันมีศีลฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมหลงทั้งนั้นนะทั้งที่บุญเนี่ยหรือทานเนี่ยมันทําเพื่อที่จะละกิเลสเพื่อทําให้ ความรู้ตัวมันตั้งมั่นแล้วคนที่ทำความดีอยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นเผลอเมื่อไหร่ความหลงก็เข้ามาค้อมงมติดใจคนที่ทำชั่วในนามความดีก็มีเยอะนะทำชั่วในนามความดีหรือทำชั่วด้วยอ้างว่าหรือเข้าใจเพื่อ ปกป้องรักษาความดีนี่ก็มีอย่างเมื่อวานนี่ก็พูดไปแล้วนะน็อตเนี่ย น, น็อตไปต่อยคนไม่ดาไม่พอต่อยต่อหน้าผู้คนเพื่อสั่งสอนเพราะว่าชนแล้วหนีนะชนแล้วหนีนี่เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นต้องสั่งสอน ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจะร็แล้วเป็นยังไงความหลงพอมันเข้ามาครอบงามก็เลยต่อยก็เลยแทนที่จะมาสอนนะแทนที่จะพูดดีๆ ด, ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวว่าลืมตัวนะลืมตัวเพราะเห็นความไม่ดีเกิดขึ้นมันก็เลยโกรธ อั น, นี้เลยว่าเป็นเพราะยึดติดในความดนะีพอเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเห็นขึ้นมาก็โกรธในตอนโกรธนี่แหละที่ความลืมตัวมันเข้ามาแล้วหรือพอโกรธก็ทำให้ลืมตัวมากขึ้นพอลืมตัวแล้วก็เลยต่อยเลยตกทั้งหมดนี้เข้าใจเพราะเข้าใจว่าเพื่อ ปกป้องรักษาความถูกต้องในให้เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าตัวเองดันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งกว่าเดิมหนักกว่าเดิมก็อีกเพราะแหละเพราะหลงความหลงมันฉลาด น, นะมันสามารถจะมามันจะสามารถจะล่อลวงให้เราทำชั่วในนามความดีได้สามารถล่อลวงให้เราทำผิดในนามความถูกต้อง ได้ก็เหมือนกับพ่อแม่ที่ทำร้ายลูกหรือว่าสร้างโทษกับลูกในนามของความรักแต่ที่จริงมันทำไปเพราะความเห็นแก่ตัวของแม่หรือของพ่อมากกว่าอยากจะให้ลูกเรียนในวิชาหรือในคณะหรือในหมหาวทิทยาลัย ที่ตัวเองต้องการมีความฝันว่าอยากจะบางคนมีความฝันว่าอยากจะเป็นหมอใหญ่เป็นวิศวะแต่ว่าทำไม่ได้ก็เลยอยากจะให้ลูกทาตามความฝันของตัวลูกก็มีความฝันอีกแบบแต่ว่าพ่อแม่ก็บงังคับให้ลูกเดินบนเส้นทางที่จะทำให้ความฝันของตัวนี้เป็นจริง ตัวเองทำไม่ได้ก็อยากจะให้ลูกทำแทนแล้วพ่อแม่ก็ บ, บังคับลูกให้เรียนให้ทำงานโดยอ้างว่ารักลูกนะอยากจะเห็นลูกมีชีวิตที่ดีต่ที่จริงอยากจะให้ลูกน ะ, กะกนะสนอง กิเลสของตัวสนองความฝันของตัวมากกว่าหรือว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยมามาดูแลตัวเองในยามชราถ้าลูกรวยมีฐานะดีก็จะได้มามีกำลังในการดูแลตัวเองตอนแก่ชราได้นันนี้เลยทำไป เพราะความเมตตตัวจะอ้างว่ารักลูกนี่ก็เป็นความหลงนะคือมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคิดว่าทำในน้ำทำอย่างนั้นเพราะรักลูกเพราะเมตตาแต่จริงมันเป็นเพราะความเงตตาตัวคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้นะเพราะว่ามันหลงไงไม่รู้ตัว ้ความรู้ตัวสาคัญมากนะคนมักจะมองข้ามเห็นว้ามันมันทุกวันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่หลับถ้าไม่ถ้าไม่เมาเนีก็รู้ตัวอยู่แล้วหรือถ้าไม่บ้าเนี่ยก็รู้ตัวอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่หรอกคนที่ไม่บ้าก็า จ, จ ะ, ล, ล, ะ ล, ลืมตัวได้เวลาหลายครั้งลืมตัวได้บ่อย แล้วก็อาจจะบ้าเนีเป็นบางครั้งเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้ความลืมตัวหรือความหลงมันนะเร่งงานจิตใ จ, นะจเช่นควาโกรธมากๆเนี่ยโกรธมากๆนี่ก็มันก็บ้าเหมือนกันนะคนที่คนที่อยู่ในความโกรธนี่ถือว่าเป็นคนบ้าคนไม่ปกติอาจะเป็นช่วงระยะสั้นๆก็ตาม คนที่มีกิเลสลาค้ามากเนี่ยมันก็บ้าอยู่ช่วงหนึ่งนะมันสามารถจะไปผิดศีลหรือไปชำเราคนจนติดทุกติดตารางก็ได้คนลานีนถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ไ ม, ไม่มีสติรู้ตัวเต็มที่นี่มันก็มีโอกาสที่จะบ้าได้เป็นบางเวลาหรืออาจจะ ท่านหนักเข้าก็บ้าแบบกกนจริไปเลยก็มีพยายามรักษาความรู้สึกตัวไว้ความรู้ตัวเกิดขึ้นเมื่อใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันไม่ลอยเป็นไม่ลอยไปอดีตไม่ไหลไปอนาคตจะทำอานั้นได้ก็มีตัวช่วยนะั่นคือสติสติมันตัวตัวที่ทาให้เราลึกได้ ทำให้เราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังสวดมนต์อยู่แต่ใจลอยเนี่ยถ้าสติไวมันก็จะเตือนให้กลับมาอยู่กับการสวดมนต์เดินจงกรมแต่ใจลอยถ้าพักสติก็พาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงลอยไปที่ไหน ที่กไกลไม่แส่สายไปที่นั่นที่นี่ถ้ามีสตินี่มอนสติมันพาจิตกลับมาเพราะเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเราฟังคำบรรยายใจมันก็ลอยไปคิดถึงที่นั่นที่นี่สักพักก็ได้สติเออ เลือดได้ว่ากำลังฟังคํญญาบรรยายอนะพอเลือดไดันจิตกลับมาเลยสติมันพาจิตกลับมาสติเป็นเครื่องผูกจิตนะถ้าผูกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าผูกจิตให้กับงานมันก็ทําให้มีสมาธิกับงานนั้น กำลังทำครัวกำลังอ่านหนังสือนะใจมันไม่อยู่กับไม่อยู่เป็นที่เป็นทางแต่พอมีสติสติก็ผูกจิตมาไว้กับงานผูกจิตไว้กับกับการอ่านหนังสือมันก็เกิดสมาธิในสิ่งนั้นในการกระทํ น, ทนันนั้นถ้าผูกจิตไว้กับตัวมันก็อยู่กับนึกกับตัว ใความรู้สึกตัวนี่มันต้องอาศัยสติมากทีเดียวแล้วสติทำให้รู้ทันอารมณ์พอมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นอ่ะมันจะเข้ามาครอบงมจิตอ่ะสติก็สลัดนะดึงจิตออกมาสติทำให้รู้ทันความหลงความหลงมันจะเข้ามา อ, อย่างที่บอกเวลาหลงนี่เพราะหลงคิดหรือหลงก็ไปในอารมณ์ พอ ม, มีความคิดเกิดขึ้นพอ ม, มีความอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันนะไม่ให้มันเข้ามาจูดโจมหรือว่าแย่งชิงจิตใจไปใจถึงอยู่กับเนื้อกับตัวได้รู้สึกตัวเวลาทำอะไรใจก็รู้เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งกินข้าวก็รู้ว่ากินข้าว นนี้เรารู้ตัวหรือว่าผู้จอดจังคือรู้กายรู้กายคือว่ารู้ว่ากายกําลังทําอะไรก็เมื่อกายทำอะไรไมันมีการเคลื่อนไหวนั่นแหละส่วนใหญ่เมื่อรู้กายคือรู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจเลยเมื่อใจคิดนึกไปก็รู้ สุไม่ ง, ง่ายถือว่าเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้ใจคิดนึกเมื่อไหลันก็สามารถจะสลัดไอ้ความคิดและอารมณ์ออกไปหรือว่าไม่หลงเชื่อความคิดและอารมณ์ใจก็ยังอยู่กับเนื้อกับตัวได้ตัวความรู้ตัวทำอะไรก็ทำได้ถูกต้องสสวนก็สวนได้ถูกต้อง เดินจนกลมก็เดินได้เป็นจังหวะมีอะไรมากระทบก็รู้เสียงจิ้งหรีดมากระทบหัวก็ได้ยินมีลมมากระทบกายก็รู้แต่ว่าไม่หลงไม่หลงตามไม่หลงยินดีหรือไม่ปล่อยใจยออกไปนอกตัวได้ยินเสียงนกร้องก็ไม่ได้ไปสนใจไถ่าถามนึกคิดในใจว่านกอะไร ตัวผู้ตัวเมียก็แค่สักว่ารู้ถ้าปล่อยใจลอยก็หลงนะแต่ถ้ารู้ใจก็มีอยู่กับปัจจุบันก็ทำอะไรถูกเดินก็เดินได้ถูกต้องไม่มีควาว่าล้มไม่มีคำ ว, ว่าสะดุดมันก็แค่กับว่าเราเดินมาที่ศาลาเนี่ยแม้มันจะมืดนะแต่ว่าเรามีไฟฉายไฟฉายทำให้เราเห็น ทางแต่ละก้าวแต่ละและทำให้เราเดินได้แต่ละก้าวแต่ละก้าวไฟฉายมันไม่ทําให้เราเห็นอะไรกว้างนะมันก็เห็นทางเฉพาะที่อยู่ข้างหน้ารอบตัวนี่มืดหมดแต่ทางข้างหน้านี่มันสว่างแล้วเราก็เดินได้ถูกแต่ไฟฉายถ้าไม่ดีนะมันก็จะดับมันสว่างมันสว่างแล้วก็ดับสว่านแล้วก็ดับ บางทีดับมากกว่าสว่างอันนี้คือจิตของคนเราปกติที่ไม่ได้ฝึกนะมันก็จะไฟฉายันก็จะสว่างเป็นบางขณะเดินได้ก้าวสองก้าวอัดับแล้วพอดับแล้วคราวนี้แหละไม่เห็นทางว่ า, า จ, จะหลงอาจจะเดินไปชนต้นไม้เดินไปเหยียบหอย หรือว่าอาจจะโดนเดินไปเหยียบตะขาบโดนมันกัดบางทีเดินเข้าพงไปเหยียบงูเนี่ยเดือดร้อนเลยเนี่ยนี่เพราะว่าไม่เห็นทางก็เหมือนคนที่ผิดศีลหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เพราะว่ามันไม่รู้มันไม่รู้ตัวแต่เธอรู้ตัวนะ ต่อเนื่องก็เหมือนกับว่าไฟฉายที่ส่องเห็นทางตลอดจนพาเรามาถึงศาลาหรือพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในความสึกตัวเป็นอย่างนั้นถ้ามีความสึกตัวตอเนื่องก็ทำให้เราสามารถจะเดินดาเนินชีวิตของเราไปได้ถึงที่หมายทำอะไรก็ทำถูกต้องนะไม่มีการหลงไม่มีคาว่าหลงทาง เพราะมีไฟฉายที่ทำงานดีนะสว่างต่อเนื่องคนเรานี่ถ้าไม่ยอมสึกตัวมก็หลงทางนะมีจุดหมายชีวิตตั้งเอาไว้ยังไงมันก็ไปไม่ถึงอยามีชีวที่ ส, สงบอยู่จนแก่เท่าเอาโดดตึกลงมาเสียแล้วตั้งแต่อยุสี่สิบไปไม่ถึงนะหรือว่า อาจจะสะดุด น, นี้หลงทางนะมีท่าสฝึกตัวบ่อยๆฝึกตัวบ่อยๆนีนะ่มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาความรู้ตัวทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนรู้มีสองอย่างกนะ็คือรู้ตัวกับรู้ความจริงทีแรกก็รู้ตัวก่อน ต่อไปรู้ตัวไปบอยมันเห็นกายเห็นใจมันรู้กายรู้กายตามที่เป็นจริงก็ความจริงก็แสดงตัวมาก็เห็นความจริงรู้ความจริงพอรู้ความจริงเขา้าก็เหมือนกับว่าโลกทั้งโลกสว่างสวยัยแต่ก่อนนี่แค่เห็นทางข้างหน้าว่าสว่างรอบตัวนี่มันมืดนะอันนี้คือเปลี่ยนมาคนปุตุชนนะที่มีความรู้สึกตัว มันก็รู้เป็นขนาดขนาแต่ละขนาดทำแล้วก็ทําถูกดำเนินชีพถึงเป้าหมายเพราะว่าเหมือนกับมีไฟฉายสองทางจนถึงจุดหมายแต่ต่อไปมันจะพัฒนาอยูน่น่าว่ามันไม่ใช่แค่ทางสว่างเท่านั้นแต่รอบตัวก็สว่างด้วยเหมือนกัาภาพทิกขึ้นเห็นชัดไปหมดเลยคนที่รู้ความจริงเนี่ยคือคนที่เห็นโลกชัดเจนหมด รู้อะไรเป็นอะไรคนที่ยังไม่รู้ไม่รู้ความจริงก็เหมือนกับว่าเดินท่ามกลางความมืดแต่ถ้ามีความรู้ตัวก็ยังโชคดีที่ยังเห็นทางไม่หลงทางแ้วคนส่วนใหญ่หลอกตัวก็มืดทางก็ไม่สว่างสว่างเป็นพักพักเพาไฟฉายไม่ดีจิตที่ไม่ดีจิตที่ไม่มีการฝึกก็อย่างนั้นแหละ มันก็จะรู้ตัวเป็นขณะแล้วก็จะหลงเป็นส่วนใหญ่หลงทางแล้วก็จะเดินตกเหวนะอันตรายรอบตัวาการปฏิบัตินี่ก็เพื่อนี่แหละเพื่อให้รู้ตัวเพื่อไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงำเพื่อให้รู้มากกว่หลงแต่ก็มัาหลงมากก็รู้แต่พอรู้มากก็หลง รู้ความใจความหลงเข้ามาครอบงำไม่ได้นะมันก็มีชีวิตที่สงบเย็นโปร่งเบาไม่สร้างปัญหากับตัวเองและผู้อื่นสร้างแต่คุณงามความดีโดยที่ไม่หลงในความดีนั้นได้โชคได้ลาบมาก็ไม่ไม่เพลินนะพอรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวก็รู้ว่ามันมันก็มีโทษนะถ้าไปเพลินกับมัน แต่ถ้าหลงมเมื่อไหร่ก็้โชคเล่ากลายเป็นยาพิษขึ้นมาทันทีเลยอย่างที่พระเจ้าตรัสกับพระนันทียวะเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาผลแห่งความดีคือความชื่นชมสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยนั่นก็เป็นพิษนะแก่ผู้ไม่พิจารณาไม่พิจารณาเพราะอะไรไม่พิจารณาเพราะหลงเพราะหลงเพลินในในผลแห่งความดีนะั้น เขาชมมาก็เพลินได้โชคได้ล่ามาได้ตำแหน่งได้ยกก็เพลินกลายเป็นพริกขึ้นมานันทีอ้าวชาลีพูดท่า น, นี้เอากลับครับ